สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสังฆราชองค์ที่สิบเก้าปริยธรรมเก้าประโยคเจริญสวัฒโนวัดบวรนิเวศวรวิหารกรุงเทพพุทธศักราชสองพันส่ร้อยห้าสิบหกถึง ปัจจุบันจิตใจนี้มีอารมณ์และกิเลสพอกพูนอยู่เป็นอันมาก ฉะนั้นจึงมีพุทธภาษิตตรัสสอนให้คอยพิจารณาจับวิตกคือความคิดปรุงของจิตและให้รู้ถ้าคิดปรุงไปในทางอากุศลก็ให้รู้ ปรุงไปในทางกุศลก็รู้คิดปรุงไปในทางอากุศลนั้นคือปรุงไปในทางกรรมบ้างคิดปรุงไปในทางพยาบาทปองร้ายผู้อื่นสัตว์อื่นบ้าง คิดปรุงไปในทางเบียดเบียนบ้างถ้ามีความคิดปรุงไปดังนี้ <S <S ก็ให้รู้ว่านี่อากุศลวิตกข้อนี้บังเกิดขึ้นจะให้รู้ว่า กุศล ว, วิตกนี้มีโทษทำให้จิตใจเดือดร้อนไม่สงบเมื่อมีความรู้อยู่ดังนี้อกุศลวิตก น, น, นั้นก็จะสงบไปได้ และถ้ากุศล ว, วิตกบังเกิดขึ้น <S <S คือคิดปรุง <S <S หรือปรุงคิดไปในทางดี <S <S ก็ให้รู้ว่าบัดนี้กุศล ว, วิตกบังเกิดขึ้น กุศลวิตกนี้ปังเกิดขึ้นเป็นความคิดที่ดีไม่ก่อให้เกิดทุกข์เดือดร้อนแต่ว่าก็ให้ทำความรู้ด้วยว่าแม้เป็นกุศลวิตก คือความคิดไปในทางที่ดีเป็นกุศลถ้าคิดนานเกินไปคิดมากเกินไปก็ทำให้ร่างกายเหน็ดเหนื่อยทำให้จิตใจเหน็ดเหนื่อย ให้ฟุ้งซ่านขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ให้ทำสมาธิคือหยุดคิดแม้ที่เป็นกุศลแต่ตั้งจิตให้เพ่งอยู่ในอารมณ์ คือเรื่องอันเดียวดังที่เรียกว่าทมสมาธิเมื่อจิตตั้งมัน่นก็จะไม่หวั่นไหวไปในอารมณ์ทั้งหลายตามกำลังของความตั้งมั่นแห่งจิต และเมื่อจิตมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวดังนี้ก็ไม่ติดอยู่ในความตั้งมั่นของจิตนี้เพราะว่าความติดอยู่ก็เป็นสังขารขึ้นคือเป็นความปรุงขึ้น และเมื่อมีความปรุงขึ้นก็จะต้องมีความเกิดความดับฉะนั้นก็ให้ไม่ยึดมั่นอยู่ในความตั้งมั่นของจิตนั้นแต่ให้มีความรู้อยู่ เป็นความรู้ปล่อยรู้วางและก็อยู่กับความรู้ปล่อยรู้วางนี้เป็นทางปฏิบัติอย่างสะดวกทางหนึ่งคือปฏิบัติในทางแห่งสมาธิกับปัญญาประกอบกัน สมาธิก็คือจิตให้ตั้งมัน่นไม่หว่นไหวไปในอารมณ์ปัญญาก็คือทำความรู้ว่าแม้สมาธิก็เป็นสังขารคือความปรุงอย่างหนึ่ง ที่จะต้องมีเกิดมีดับเมื่อติดอยู่ในสมาธิก็เป็นความติดอยู่ในสังขารเพราะฉะนั้นจึงไม่ยึดถือแต่ปล่อยวาง นำความรู้อยู่กับความปล่อยวางนี้ดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติทางปัญญาและการปฏิบัติทางปัญญานี้เมื่อแสดงตามหลักอริยสัจ ก็คืออบรมความรู้ในทุกข์ในเหตุเกิดทุกข์ในความดับทุกข์ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เพราะฉะนั้นการพิจารณาให้เห็นทุกขษัต สภาพที่จริงคือทุกก็จำที่จะต้องใช้ปัญญาเจาะแทงเครื่องปกปิดเหล่านี้ลงไปให้เห็นความเกิดความดับที่มีอยู่ทุกขณะเป็นปัจจุบัน และให้เห็นว่าความสุขที่ปรากฏนั้นเป็นเพียงความแก้ทุกข์ไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งเท่านั้นหาใช่เป็นความสุขที่แท้จริงไม่ และเพราะชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับจึงไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยทุกข์จึงเป็นทุกข์และไม่ควรเป็นสิ่งที่จะพึงยึดถือว่า เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราโดยเป็นสาระเป็นแก่นสารจึงเป็นอนัตตาความพิจารณาลงไปให้อนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏขึ้นดังนี้ เรียกว่าเป็นการพิจารณาให้เห็นทุก์สัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์โดยมีชาติความเกิดชาราความแก่มรณะความตาย ดังกล่าวนี้แหละเป็นเครื่องนำความคิดพิจารณาและผู้ที่เห็นทุกข์ดังนี้ก็จะเป็นผู้ที่พ้นทุก์ไม่ใช่ผู้ที่เป็นทุก์ เพราะจะทำให้ไม่ยึดถือทำให้เป็นผู้อยู่เหนือทุกข์แต่ไม่ใช่เป็นตัวทุก์